ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาล ร, รื่นเริงนะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งคริสต์มาสนะคนไทยเราก็เฉลิมฉลองก็ด้วยนะนะเวลาเราดูข้อความทางไลน์นี่เมื่อวานนี้ก็ส่งเันนะเมอรี mm ่คริสต์มาสอะไรต่างอวยพรกันใหญ่นี่ไม่กี่วันก็วันสิ้นปีแล้วก็ขึ้นปีใหม่ก็เป็นวันหรือเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเหมือนกันนะผู้คนก็มีความสุขนะมีความสุขก็อย่าเพลินนะอย่า อย่าลงไหลนะเพลิดเพลินในความสุขเราจำได้ไหมว่า26ธันวาเนี่ยมันสำคัญยังไงเกิดอะไรขึ้นนะ26ธันวานะหลายปีที่ผ่านมาจำได้ไหมนะสึนามิ26ธันวา47นะ่ะเป็นวันอาทิตย์นะเหตุการณ์สึนามินะนะมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะ11ปีแล้วนะมันเกิดขึ้นขณะที่ผู้คนนะกำลังหลับไหล นะเพราะว่าเฉลิมฉลองกันโต้รุ่งนะจริงๆมื่เกิดขึ้นสายแล้วนะประมาณเก้าโมงสนะิบโมงะคนก็มีความาสนุกสนานกันนะเป็นวันอาทิตย์ด้วยแดด ก, ก็ใสนะไม่ไม่หมดนเหมือน ก, นกับวันนี้นะแล้วก็เหมือนกันนรกแตกนะคนก็ตายกันไปห้าหกพันคนได้เฉพาะที่เมืองไทยอย่างเดียว แล้วคนที่ตายก็หลายคนก็กำลังอยู่ในโรงแรมนะที่สบายหลายคนก็มาเมืองไทยเพื่อมาพักผ่อนนะเที่ยวนะไม่มีใครคิดว่าจะจะมาตายที่นี่นะที่เมืองไทยไม่ไม่มีใครคิดว่าต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไอคนที่ไม่ตายก็ไม่ใช่ว่าจะจะสบายนะเพราะต้องไปคอยเก็บศพนะจากคนเก็บศพของคนรักนะที่เรียกว่าอะไร ที่แทบจาไม่ได้เลยอันนี้มันบอกอะไรเรานะมันบอกอะไรเราเหตุการ์สึนามิเนี่ยมันไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าสึนามิสามารถเกิดขึ้นได้กับคนไทยเท่านั้นนะแต่มันยังบอกว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสึนามิไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็เกิดขึ้นจนได้อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นก็รวมถึงความตายของเราด้วยนะความตายของเราเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้ก็แม้ในวันที่ผู้คนกําลังเฉลิมฉลองกันแม้ในสถานที่ที่เหมือนกับเป็นสวรรค์นะโรนะงแรมหลายโรงแรมรีสอร์ทหลายแห่งแถวย่านยาวนี้ก็ก็ล้วนแล้วแต่เป็โรงแรมชั้นดีรีสอร์ทชั้นเลิศนะแล้วก็เวลาพูดถึงเขาหลังเนี่ยคนก็จะนึกถึงรีสอร์ทรู้นะสบายราคาแพงแต่ทีนี้พอพูดถึงเขาหลังนี่หลายคนก็นึกถึงความตายนะที่เกิดจากสึนามิ ฉะนั้นก็เกินใจไว้เสมอนะว่าไม่ว่าเราจะมีความสุขจะเราจะมีความสบายอย่างไรนะก็อย่าลืมว่าใอ้สิ่งที่มันแย่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอย่าเพลิดเพลินกับมันมากนะสุขได้นะแต่ว่าอย่าเพลิดเพลินไหลห ล, หลงหลงไหลไม่ใช่เฉพาะเทศกาลอย่างเดียวนะ รวมถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในขณะ น, นี้นะมีสุขภาพดีมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะ <c oughs> ก็จะไปลหลงไหลกับมันมากพุทธ <c oughs> เจ้าเคยสอนพระนันทิยะนะว่าสิ่งที่รวบผลแห่งความดีอ่ะเช่นเงินทองชื่อเสียงทรัพสมบัตินะลาบสักการะมันเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณา นะมันเป็นพิษกับผู้ไม่พิจารณาใครๆก็อยากได้นะแต่ว่าหารู้ไมมว่ามันเป็นพิษถ้าเราไม่พิจารณาถ้าเราเพลิดเพินหลงไหลในมันนะตั้งอยู่ในความประมาทนะมันก็กลายเป็นดอกไม้พิษผลไม้พิษได้ถ้านะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงเทศการงานรื่นเริงนะแต่ว่าตอนนี้เราจะเป็นช่วงขาขึ้นนะเป็นช่วงที่มีความสุขสุขภาพดีนะมีครอบครัวอบอุ่นนะมีความสําเร็จนะมีหน้าที่การงานดี มันเกิดขึ้นก็ดีแล้วนะแต่ว่ามันพิจารณาหน่อยนะอย่าไปหลงไหลกับมันมากมันพิจารณาว่ามันก็ไม่เที่ยงนะมันก็แปดเปลี่ยนไปได้วันนี้สุขภาพเดียวไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่ป่วยนะวันนี้สาเร็จไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะยังสาเร็จต่อไป <Yeah. S 2> วันนี้มีลมหายใจไม่ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะยังมีลมหายใจอยู่ <Yeah. S 2> วันนี้คนรักอยู่กับเราไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เขาก็จะอยู่กับเราเหมือนกันนะ ให้เราลึกไว้นะโดยเพราะในเทศกาลแบบนี้นี่ก็ต้องเตือนเตือนตัวเตือนใจเราไว้เพราะไม่งั้นมันจะเพลิดเพลินหลงไหลมากแล้วเดี๋ยวนี้มันก็สื่อต่างๆสิ่งวัตถุต่างๆก็มีแต่ชวนปลุกให้ให้หลงไหลเพลิดเพลินนะเวลาเราดูนะโทรทัศน์ดูสื่อต่างๆก็มีแต่เพล็กเสียงพวกเสียงเพลงให้เราเพลิดเพลินในในเทศกาลงานรื่นเริงนะไม่ได้ มีอะไรที่จะมากระตุกให้เราคิดว่าอาจจะมีสิ่งที่แยก่ก็ได้เมื่อปีที่แล้วนี่สามสิบนธะันวาขณะที่ผู้คนยังรื่นเริงกันนะวันปีใหม่ก็พบกว่าที่หมู่บ้านตัดลินทองที่หมู่บ้านตามาอยู่ต้องต้องจัดงานศพนะแล้วครูนี่ครูคนหนึ่งนะแก่เพลิดเพลินมากนะปีใหม่ไปฉลองหน่อยนะฉะลองจนเมาไม้เสร็จแล้วขับรถก็ เกิดอุัติเหตุนะรถก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าต้นไม้ตายตายวันที่สามสิบธันวานะีตายเพราะเมาเมาเพราะอะไรเมาเพราะฉลองฉลองอะไรฉลองปีใหม่เนี่ยาอกว่าไม่ทันปีใหม่มาไม่ถึงนะปีใหม่มาไม่ถึงตัวเองตายซะก่อนนะอุตสาห์ฉลองปีใหม่แต่ว่ายังไม่ทันขึ้นปีใหม่ตัวเองก็ตายซะและ้วคนในบ้านก็ต้องต้องมาเศร้าโศกเสียใจจัดงานศพในวันปีใหม่เนี่ยเพราะนั้นเนี่ย ให้เรานะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอย่าให้เทศกาลงานรื่นเริ ง, เรงมันมันไปครอบงบจิตใจจนกระทั่งเราเพลินหรือแม้แต่ไม่ใช่เทศกาลก็ตามบางคนก็ไม่สนใจนะปีใหม่แต่ก็อาจจะเพลิดเพลินอย่างอื่นนะเพลิดเพลิ น, ล น, ลนในความสุขในความสำเร็จในในชีวิต ก, กระแส ข, ขาขึ้นนะอันนี้มันสามารถจะแปลเปลี่ยนไปเป็นอื่นได้ทั้งนั้นแล้วก็พวกเราก็เตรียมรับพร